บทที่46เจ้าชายกุณาละกับพระเนธเมื่อจอมจักรพรรดิอโศกทรงประดิษฐานจารึกเป็นอันมากแล้วทรงประโมทกับกุศลจริยานั้นอย่างใหญ่หลวงพระปิติยังมิทันได้คลายลงเลย ข่าวใหม่ก็ก่อให้เกิดความชุ่มช่ำพระไทยมาถึงพระองค์อีกมนุษย์เราก็มักเป็นอย่างนี้ยามโชคร้ายกล่ำกลายข่าวอันหามงคลไม่ได้ก็มักจะทับถมท่วมทวีตามมากล่าวโชคดีก็จะมีแต่ข่าวและเรื่องราวอันนำความเบิกบานใจมาให้ถือตามมติแห่งพุทธศาสนาก็ว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ศบโอกาส ให้ผลตามคราวหรือตามความแก่รอบแห่งกรรมนั้นๆพระนางปฐมาวดีพระมเหสีองค์หนึ่งของจอมจักรพรรดิประสูติพระราชโอรสพระกุมารมีพระสิริลักษณะงามเหลือเกินพระเนตรเป็นมันคลับเมื่อพระองค์ทรงสดับว่าพระโอรสประสูติความปรีดาก็เอิดท้นท่วมทวีพระหาลุทยัยบุตรที่ปรารถนาเป็นที่รักของบิดามารดาโดยเฉพาะ โอรสแห่งพระราชาผู้ทรงเปี่ยมด้วยมาหาสมบัติรอบด้านไม่ต้องกังวลด้วยพระราชทรัพย์ที่จะจับจ่ายเลี้ยงดูด้วยแล้วคิดดูเถิดว่าพระองค์จะปราโมทย์สักเพียงใดอันหนึ่งเล่ามนุษย์ทั้งหลายถือว่าบุตรธิดานั้นเป็นตัวแทนของตัวจึงทุ่มเทความรักให้แก่บุตรและทิดาอย่างเต็มที่เสมอตัวหรือยิ่งกว่าตน มนุษย์เราจะมีความรักอย่างมั่นคงต่อตนและสิ่งเนื่องด้วยตนเท่านั้นโดยที่ยังไม่ทันได้ทอดพระเนตรพระโอรสองค์ใหม่พระราชาก็ตรัสอย่างสมนัสว่าเราปลื้มเหลือเกินใจคอเราเต็มตื้นไปด้วยความยินดีเพราะเราครองราชโดยธรรมเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติไม่ประพฤติการควรเว้ น, วรรววนและไม่เว้นการควรประพฤติ เราจึงได้โอรสราชวงศ์โมริยะจะต้องรุ่งเรืองเป็นแน่แท้เราเป็นผู้ใครท่ทำขอให้โอรสของเราบำรุงธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเพราะเหตุที่พระราชาวหวังพระโอรสบำรุงธรรมเจริญรุ่งเรืองในธรรมพระกุมารจึงมีพระนามในเบื้องต้นว่าธรรมวิวัตถึงโอรสอันควรพระพี่เลี้ยงนำพระราชะโอรสเข้าเฝ้าเมื่อทอดพระเนตรแล้วทรงปราบปลืมมากขึ้น ยิ่งทรงพิจักสุแห่งพระกุมารมากเท่าใดความสเสน่หาก็เพิ่มพูนขึ้นในพระทัยของพระองค์สุดจะพรณ น, นาได้ทรงเปร่งอุทานว่าจักสุของโอรสนี้แจ่มสายนกงามปานอุบลซึ่งกำลังบานเต็มที่งามเหลือเกินเปรียบด้วยสิ่งใดๆดิๆีอีกเพราะเราประพฤติทธรรมเว้นสิ่งที่ควรเว้นพระองค์ตรัสต่อไป และประพติสิ่งที่ควรประพติเราจึงได้โอรสงามถึงปานนี้และทรงจินตนาการอย่างลึกซึง้งเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพติสิ่งควรประพติคำนี้จึงมีความหมายน่าคิดสิน้นใกระไรคนจํานวนมากพอจะรู้ว่าอะไรบ้างควรเว้นอะไรบ้างควรประพติแต่บางทีเขาก็ลังเลว่ามันควรเว้นจริงๆหรือ สิ่งที่บันดิตสอนว่าสมควรประพฤติมันมีความประพฤติจริงๆหรือความลังเลนั่นเองนำไปสู่ความอยากลองสิ่งชั่วและหลุมแห่งหายนะทั้งหลายมักมีอารมณ์เพลินฉาบไล้ให้มืนเมาในระยะต้นประหนึ่งหุบเหวที่มีตินาชาติและระดาวันผูกพันปกคลุมไว้เป็นเครื่องพรางตาเมื่อใครตกลงไปแล้วก็ยากที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาอีก ส่วนการควรประพฤตินั้นเขามองเห็นแต่อุปสรรคนาน า, นาคอยขวางกัน้นช่างลำบากยากเข็นเสียเลือเกินเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเอยแข็งใจเสียหน่อยเถิดผลแห่งความดีนั้นมีรสหวานยิ่งนักยากที่จะหารสใดในโลกเสมอเหมือนได้การสำรวมตนสัญญมะความข่มใจธมะความบากบั่นให้ก้าวหน้าในทางดีปรักกมะ อาจต้องแข็งใจระยะต้นแต่พอเคยแล้วก็เอิบ อ, อิ่มใจจะเกิดขึ้นมาทดแทนคุ้มความเหน็ดเหนื่อยเกินอยากมากจอมจกักรพรรดิได้ตรัสกับเสนาบดีและมุกอมสาธในที่เฝ้านั้นว่าท่านทั้งหลายพอทราบไม่ว่า ตาแห่งโอรสของเราเนี่ยเหมือนอะไรเสนาบดีทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดมีในตางามเช่นนี้เลยแต่ในหิมมวันตะบันพศมีนกชนิดหนึ่งเรียกกันว่ากุละมีในตางามเหมือนพระชกุมารนี้พระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้นํานกกุละมาถวายเพื่อทอดพระเนตรเมื่อได้ทอดพระเนตรแล้ว ส่งเพ่งพินิษในตาของนกกุณาละอยู่เป็นเวลานานไม่เห็นความแผกเพี้ยนระหว่างในตาของนกและจักสุ ข, ของพระกุมารเป็นดวงเนตรที่งามเหลือเกินจึงตรัสว่าเราขนานนามพระปิโยรถว่ากุนาละและแล้วส่งมอบพระาชะโอรสให้อยู่ในความพิทักษแห่งพระพี่เลี้ยงและนางนมแปดนาง คือสองนางมีหน้าที่ฟูมฟักธนุถนอมสองนางมีหน้าที่คิวรัฐาราสองนางมีหน้าที่ส่งน้ำชำระพระกายอีกสองนางให้เป็นเพื่อนเล่นเมื่อทรงอุ้มพระกุมารหยอกเยว้วพระกุมารทรงโปรดจ้องพระเนตรอันงามนั้นทรงสเสน่หาอย่างยิ่งและตรัสว่าไม่มีเลยบุตรของเราไม่มีอย่างนี้สักคน เธอคงจะทำบุญมาดีมากรัดกับพระโอรสต่อไปเพราะกรรมดำําย่อมให้ผลดํากรรมขาวย่อมให้ผลขาวกรรมพระกันย่อมให้ผลครา ก, กันเพราะฉะนั้นในโลกนี้บุคคลพึงหลบหลีกกรรมดำําและกรรมพระกันเสียแล้วพึงมุ่งแต่กรรมขาวบริสุทธิ์อย่างเดียวความข้อนี้พระมหาอุปคุปได้แสดงแก่เราแล้ว และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่ารูปสวยผิวงามเสียงเพราะความเป็นใหญ่และความมีบริวารมากเหล่านี้ล้วนสำเร็จมาแต่บุญทั้งสิ้นเมื่อทรงจเจริญวัยพอที่จะทรงอภิเศกสมรสได้แล้วเจ้าชายกุณาละก็ได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงผู้งามพร้อมพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าการจะนะมาลา ทั้งสองพระองค์มีความสุขร่วมกันมีความเบิกบานต่อกันมีมูลเหตุจากทั้งสองพระองค์รักใกล้กันพอพระไทยที่จะพิเศษสมรสหญิงสวยชายงามและมั่งคั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สริงคารบริวารเกียรติและโดยความโปรดปรานพิเศษจากสมเด็จพระชนกนาถยังมีสายใยแห่งความรักเป็นเครื่องเชื่อมโยงอีกเล่ามนุษย์จะต้องการอะไรมากกว่านี้ แม้ใครจะมาพันานาความสุขบนทิพวิมานสวงสวรรค์ให้ทรงสดับในครั้งนั้นเจ้าชายกุณาละและพระนางการจนะมาลาก็ไม่ได้ทรงปรารถนาเพราะความสุขของพระองค์ทั้งสองเปี่ยมลน้นอารมณ์นั้นเล่าก็รื่นเริงประหนึ่งทิพยารมชีวิตของทั้งสองพระองค์เหมือนลอยอยู่ในสวนสวรรค์ อันขจรขาจายด้วยกลิ่นมาลีอบอวลด้วยให้เริงรื่นหาลือหันสุดเจพน า, นาแต่ชีวิตมนุษย์ย่อมคลุกเค้าด้วยสุขและทุกข์กฎแห่งอริยศัสตร์ที่พระบรมศาสด า, สดาสตรัสไว้นั้นไม่เคยยกเว้นใครดังนั้นในขณะที่พระราชกุมารหาลือหันอยู่ด้วยโลกียารมอย่างดูดดื่มนั่นเองข่าวร้ายก็ทลาเข้าสู่วงชีวิต มันเป็นข่าวร้ายที่ก่อความตื่นเต้นแก่พระองค์อย่างใหญ่หลวงพระนางการจนะมารานั้นกนแต่ทรงกันแสงอนิจจากุณาละผู้มีพระเนตรงามอย่างไม่มีใครปานวันหนึ่งจอมจักรพัทอโศกเสด็จสู่กุกุตารามเพื่อทรงเยี่ยมเยือนภิกษุสงอย่างที่เคยทรงปฏิบัติมาเป็นอาจิณวัตร พระองค์ปรารถนาสนทนาธรรมอันทาให้พระทัยเบิกบานและในการเสด็จครั้งนี้มีพระราชโอรสองค์โปรดเจ้าชายกุณาละตามเสด็จด้วยมหาเถระผู้เป็นประมุขสงฆ์ในกุกุตารามนั้นเป็นผู้แตกฉานในอภิญญาห้าคือหนึ่ง บทเพนิวาสานุสติยานยานอันสามารถอลึกชาติหนหลังได้ 2. ทิพโสตหูทิพ 3. จุดตูป ป, ปาตยานตาทิพ 4. เจโตปริยญาณรู้วาระจิตของผู้อื่น 5. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นคนเดียวทำเป็นหลายคน อภิญญาทั้งห้านิ้วเรียกว่าโลกียะอภิญญาส่วนข้อที่6คืออสวรรค์ยานยานที่มีอำนาจกําจัดกิเลสทั้งมวลให้หมดสิ้นนั้นเรียกว่าโลกุตระอภิญญาพระเถระผู้เป็นประมุขสงฆ์เมื่อได้สนทนากันเรื่องอื่นกับพระราชาพอเป็นที่แห่งความบันเทิงในธรรมแล้วท่านเพ่งพิจเจ้าชายกุณาละอยู่ครู่หนึ่ง แล้วถวายพระพรแก่พระราชาว่ามหาบอ่อพิษประเนตรของเจ้าชายงามเหลือเกินงามมากพระกุณเจ้าเสนาบดีเขาเคยพูดว่าไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดในตา ง, งามเท่านี้เลยเหมือนนกชนิดหนึ่งอยู่นหิมวันตะบัรพศเขาเรียกกันว่านกกุณาละข้าพเจ้าจึงขนานพระนามให้โอรสคนนี้ว่ากุนาละมหาบอ่อพิษ พระเถรัถวายพระพรเสียงของท่านโน่มน้าฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ที่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรูส้ทรงเล่าว่าเคยทรงควักลูกตาให้เป็นทานแก่ผู้ปรารถนาลูกตาของพระองค์จะไม่เป็นที่รักก็หาไม่แต่เพราะมุ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณ จึงยอมเสียสละพระเนตรที่งามเหลือเกินท่ามกลางเสียงคล่ำกรวนของปิยชนมีชายาเป็นต้นเมื่อสวยพระชาติเป็นกษัตริย์เคยตัดพระเศียรอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎเพชรเพลิดพายพระคุณเจ้าการบำเพ็ญบา ร, รมีเหตุชนัยจึงต้องเสียสละมากถึงปานนั้นเป็นการทำความเดือดร้อนแก่ตนเหลือเกินขอถวายพระพร เมื่อต้องการผลยิ่งใหญ่ก็ต้องเสียสละอันยิ่งใหญ่อัธยาศัยของคนสามัญจะเอาไปเทียบกับอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์หาได้ไหมอุปมาเหมือนหนึ่งว่าคนมีทรัพย์น้อยก็ย่อมเสียสละได้เพียงเล็กน้อยส่วนคนมีทรัพย์มากหากมีศรัทธาเท่ากันมีความเลื่อมใสเท่ากันคนที่มีทรัพย์มากย่อมเสียสละได้มากกว่า พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยสายโอลานบริจาคพระราชทรัพย์หลายสิบโกดในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงกระทาได้โดยสะดวกหากคนเข็นใจมีอัจฉริยศายเสมอด้วยพระองค์ก็หาอาจทำเช่นพระองค์ได้ไม่ในเรื่องการเสียสละอย่างรุนแรงเช่นการสละอวัยวะเลือดเนื้อและชีวิตก็ทานองเดียวกัน ซึ่งผู้ที่มีอธัธยาศัยโอฬารมีความปรารถนาคุณธรรมเบื้องสูงย่อมทำได้ส่วนผู้มีอธัธยาศัยอย่างสามัญชนก็เห็นเป็นมากเกินไปหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างรุนแรงไม่เสียสละอย่างใหญ่หลวงจไหนเล่าพระองค์จะประสบฐานะอันสูงส่งเช่นฐานะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นบุรุษสูงสุดในโลก อย่างไรก็ตามในชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏะสงสารนั้นย่อมต้องประสบความสมหวังและผิดหวังทั้งสมบัติและวิบัติต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงใจสิ่งใดที่บุคคลรักมากหวังมากก็อาจก่อความผิดหวังให้ได้มากเช่นกันพระคุณเจ้าพระราชาตัด ดวงเนตรของเจ้าชายกุณาละเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารักใกล้หัวแหลเลือเกินข้าพเจ้าต้องประสบวิบัติพลัดพรากจากดวงเนตรของกุณาละหรือไม่แน่นอนมหาบอพิตพระสังฆเถระวิสัชนาพระองค์จะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พึงพระทัยอันนั้นพระเนตรอันสวยงามของพระราชโอรสจะถึงความวิบัติในไม่ช้านักมหาบอพิต พระผู้มีพระภาคเจ้าปรัดสมบัติอันเป็นการมวัตถุคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร้นั้นมีความพลัดพรากจากไปเป็นเบื้องสุดท้ายวินาภาวะสันตะเมวิทางด้วยพระอาการที่ตกพระทัยมากอย่างนั้นหรือพระคุณเจ้าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้กุณาละจะต้องประสบจากสุวิบัติเช่นนั้น มหาบอพิษพระองค์ทรงเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอยู่ไม่ใช่หรือบุคคลเป็นทายาทแห่งกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกำลังแห่งกรรมเป็นกำลังที่รุนแรงมหาศาลไม่มีกำลังใดเสมอเหมือนได้เจ้าชายกุนาละจะต้องเสียจักสุอันสวยงามยิ่งไปในวัยนมน่าเสียดายนักขอพระราชกุมารจงอย่าประมาทเลย มันสังสมความดีแลพึงมนสิการซึ่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งสิ่งทั้งหลายพระคุณเจ้าลูกชายข้าพเจ้าจะพึงทำอย่างไรเล่าโอ้พระคุณเจ้าผู้ประเสริฐมีทางช่วยอย่างไรได้บ้างลูกข้าพเจ้าจึงจะสามารถรักษาจักสุไว้ได้ราชกุมารเออยพระเถระผินพัก มากราวกับเจ้าชายกูณาละมีบุคคลเป็นอันมากในโลกนี้ที่ต้องทำความชั่วอันเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิเพราะจักษุนี่แหละเป็นเหตุบุคคลไม่มีจักษุย่อมไม่ต้องทำความชั่วเพราะจักษุนั้นการเสียจักษุไม่ใช่เสียคนเป็นเพียงการเสียจักษุเท่านั้นแต่การทำความชั่วชื่อว่าเป็นการเสียคน ยากที่จะถอดถอนคืนได้อเ น, นึ่งเล่าจากสุเมื่อมีอยู่ก็ต้องเห็นสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างก่อความสมนัตบ้างโทมนัตบ้างแก่เจ้าของเป็นทางร่วงไหลามาแห่งอสวะธรรมนานาประการเจ้าของมีหน้าที่ต้องสำรวมระวังหากไม่ระวังก็จะก่อให้เกิดบาปเกิดอกุศลเพราะจากสุนั้นเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีจากสุก็ดีไปอย่างหนึ่ง เป็นการปลดภาระให้เบาบางเหมือนบุคคลมีภาระส่งเสียบุตรธิดาหกคนให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อสำเร็จไปคนหนึ่งแล้วมารดาบิดาไม่ต้องมีภาระกังวลด้วยการส่งเสียอีกหรือเหมือนบุคคลแบกภาระหนักหชิ้นเมื่อทิ้งไปเสียนหนึ่งชิ้นแล้วภาระที่ต้องแบกก็เบาลงราชกุมารขอพระองค์พึงมนัสิการว่า จักษุเป็นสิ่งแตกทำลายได้เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปลปรนไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยพระทัยของพระองค์ผ่องแผ้วและแสวงหาความสุขได้ตามสมควรพระสังฆเถระอาศัยความการุณาทูลเรื่องนี้กับพระเจ้าอาโศกและเจ้าชายกุณาละเพื่อจะได้เตรียมใจไว้ การประสบภัยพิบัติไม่ว่าทางทรัพย์สินภายนอกหรืออวัยวะร่างกายเมื่อได้เตรียมใจสละระยะหนึ่งแล้วความหวาดกลัวก็จะค่อยๆลดลงเพราะคุ้นกับความรู้สึกอย่างนั้นเข้าการเตรียมใจมีความสำคัญต่อการดําเนินชีวิตไม่ว่าทางคดีโลกหรือคดีธรรมเช่นการทำงานเมื่อได้เตรียมใจพร้อมที่จะทาได้ดี การออกเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีการเตรียมใจไว้ก็ออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลาแม้ในการกอบคุณงามความดีก็เช่นกันเมื่อได้เตรียมไว้แล้วว่าจะทำความดีจะละเว้นความชั่วการที่จะไหลไปตามอารมณ์ยั่วยวนก็สามารถถูกกีดกันได้การเตรียมจึงมีความสำคัญต่อ ง, งานทุกๆด้าน ไม่ว่าร่างกายหรือทางจิตใจจิตใจที่เตรียมพร้อมแล้วเป็นจิตใจที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างข่าวเรื่องนี้ก็ความโทมนัสแกจอมจกักรพรรดิอโศกอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงหาทางป้องกันทุกอย่างแต่ได้กล่าวแล้วว่าเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลมันเหมือนหิมะละลายจากภูเขา ยากที่จะหาสิ่งใดต้านทานไว้ได้ข่าวเรื่องนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปิดเงียบไม่ยอมเปิดเผยแก่ใครๆแม้แต่พระชายาของเจ้าชายเกรงจะเป็นเรื่องเศร้าเกินไปส่วนเจ้าชายกุณาละทรงมีพระอัธยาศยยงามทรงพิจารณาตามถ้อยคำของพระเถระก็ทรงเห็นจริงและทรงพิจารณาความจริงเรื่องนั้นอยู่ทุกขณะ จำเดิมแต่นั้นมาจึงไม่ทรงยยดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทรงพอพระทัยแต่ความสงบเงียบทรงสแสวงหาความสุขจากความเงียบสงบความวิเวกจึงกลายเป็นสหายอันประเสริฐของพระองค์พระองค์ทรงรำพึงถึงความแตกทำลายแห่งจักสุอยู่ทุกวันวันละหลายครั้งนอกจากจักสุแล้วพระองค์ยังทรงตรหนักแน่ว่าแม้หูจะโมกลิ้น และกายก็ต้องแตกทำลายไปในที่สุดเช่นกันสิ่งนี้เมื่อสั่งสมมากขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงเมื่อความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงอาการเบากายเบาใจก็เกิดขึ้นนี่เป็นความสุขอย่างใหม่ซึ่งเจ้าชายไม่เคยได้รับเลยในช่วงชีวิตที่ผ่านมา